บ <Book> <85 S 3> ุกทูแปดสิบห้าออบเจกินคำถามอดีตการหนึ่งเดมานดอยอิสเต็มโปคุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วคิอัมมูลเทวิทริงกิส คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วคุณนอนหลับสบายไหม q u คุณสอบผ่านได้อย่างไร คุณหาทางพบได้อย่างไรคิวทรวิลาวอนคุณพูดกับใครมาคุณคิวิารลิสคุณนัดกับใครมาคุณคิวิเรนเดูสคุณฉลองงานวันเกิดกับใครมาคุณคิวิเฟสติสเวียนนัสทากอน คุณไปอยู่ที่ไหนมาคุณเคยอยู่ที่ไหนมาคุณเคยทำงานที่ไหนมาคุณแนะนำอะไรไปแล้วคุณทานอะไรมา